ประวัติวัตติบัติและปฏิปทาของหลวงปู่เหลียนวรลาโภชาติภูมิหลวงปู่เหลียนวรลาโภหรือที่มีนามตามสมณศักดิ์ว่าพระ โดยและแม่พิมพ์ใจขานบุตร 8 มกราคมพุทธศักราช 2455 ซึ่งตรงกับวันพุทธขึ้น 2 ค่ำเดือน 2 ปีฉวดท่านเป็น แต่ตามประวัติบอกว่าเสียชีวิตตั้งอยู่วัยเด็กหลวงปู่เหรียญเกิดในครอบครัวเกษตรกรบิดามารดาของท่านทำไร่ทำ ท่านจึงถูกเลี้ยงดูตามประสาลูกๆหมดไป แต่ในไว้เด็กนั้นในและในโลกนี้เด็กนั้นส่วนใหญ่จะผูกพันกับๆได้ชีวิตภาย บิดาได้แยกไปมีปัญญาใหม่และตอนนั้นในประวัติไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนแต่ก็เพราะความธุระกันดาลในท้อง ภายหลังจากเด็กชายเหรียญได้ไปอาศัยอยู่ 2 ปีในผาผู้เป็นบิดา 12 ขวบแล้วแต่แม้ และครูบาอาจารย์ต่างได้คาดหวังอนาคตเอา 4 ปีก็จบภาคบังคับด้วยระดับแล 16 ปีแล้วประกอบกับ นอกจากตนแล้วก็ไม่มองกล่าวคือมีอายุได้ 16 ปีคน อายุ 16 ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควร บิดามีนามีสวนมากขึ้นและได้รับผลประโยชน์ของในเหรียญมากขึ้นในช่วงวัยหนุ่มในเหรียญได้ทุ่มเทให้กับการงานในนาในสวน และด้วยความเอาจริงเอาจังในหน้าที่การงานแล ไม่ว่าจะในฐานะอะไรเขาจึงเริ่มคิดหา อยู่ล่มกาสาวพัดในวัย 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่พื้นฝูงรุ่นเดียวกัน จนเห็นว่าพอสมควรแล้วบิดามีนามีสวนและได้รับผลประโยชน์จากสวนจากนั้นพอที่จะเรียน เขาไม่ค่อยคลึกคลืนเฮฮาเหมือนคนหนุ่มทั่วไป ก็ได้กําหนดวันบรรพชาอุปสมบทให้หลวงปู่เหลียน 2475ณพัทธสีมาวัดหงส์ทองอําเภอ การเทบวชของพระภิกษุเหรียญไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว เริ่มสนใจกรรมฐานในระหว่างที่ไป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 พุทโธไปๆจนเกิดความสงบขึ้นแต่เป็นความสงบเฉย อาตมาอ่านดูเห็นว่ามีประโยชน์ในทางกรรมฐาน เป็นของท่านพระอาจารย์สิงขัณฑยาขโมท่านแต่ง ก็มุมานะในทางปฏิบัติเป็นการใหญ่โดยเริ่มจากๆบ้านโยมบิดาคือที่ตำบลบ้านม้ออำเภอศรีเชียงใหม่ ท่านเจ้าพรรษาอยู่ที่อำเภอพำนานิคม มาพักอยู่ในลาป่าใกล้ๆกับบ้านของนายผาโยม ถ้าลูกชายมีความสนใจในทางวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระอาจารย์ในทางกรรมฐานรูปที่ 2 ของท่านหลวงปู่เหลียนได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ พระโยมอิดาคือการปฏิบัติธรรมท่านคือในผาใจขาล พอท่านเกิดศรัทธาพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนท่านเลื่อมใสถึงขนาดที่เดียวไม่ว่าพระอาจารย์กู่จะออกปรดบิณฑบาตจะเดินยืนนอนทําภาวนาเดินจงกรมโยมบิดาของอาตมามองเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อม ท่าน 23 พรรษาและท่าน 93 ปีหลวงพ่อของอาตมาเจชีวิตไป 2519 นี่เองนะเรียกว่า เริ่มออกทุฑงภายหลังจากได้พบ เมื่อเข้าไปถามท่านท่านคอยแอดอุบายมาไปถามท่านท่านค่อยแอดอุบายมาๆที่เกิดกับจิตบางครั้งก็พาออกไปเที่ยวชะดก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 อาจตามมาได้หน้าเราใครfterเราไปที่ cookerครบบท言 จะบ Nissha ได้好了 งำหажд inomสแทธิก Computing град cosplay Ins,hed districtarsita. ซากลüğ答あり Antmar Pearl at Heart seldom年닝 in theárium of practice since เหต Short Fitness. Harriet марсicas.ふด sus and efforts. ays order any time break my judgment table and sadness. zariz, เธอข์είstinaenza, check me what kr bul. คุณ lady was raised with us. i have never seen a JAC we haven't seen the vocês and feel the» acá she was the estoy. i got no to look at it, it was all liquid central and ailments and then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 ถ้าตดงสมัยก่อนนี้บางทีไม่ได้สันจังหัน <c oughs> พระวิธีทันหีกมในขณะที่พระิสุเหลียยนได้ติดตามพระอาจารย์กู่ทํามัชิินโนทุดดงไปในที่ต่างๆอยู่นั้นแม้ท่านจะเครบนับถือกันในฐานะสิทธิ์อาจารย์แต่ท่านทั้งสองก็สังกัดกันอยู่คนและนิกายทําให้การปฏิบัติต่อการบางประการไม่สะดวกพระจารย์กู่พิจารณาดูเห็นว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นอุปสรรค์ราชเป็นปัญหาต่อไปในระยะยาว เรียนสังกัดนิกายชื่อใหม่เพราะตัวท่านพระอาจารย์กู่สังกัดนิกาย ฝ่ายซึ่งสมัยนั้นซึ่งสมัยนั้นทางอีสานหากพระภิกษุสังกัดฝ่ายมหานิกายมีความคือพระเดช อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระภิกษุเหลียนได้เข้าพิธีธรรมคันธิกรรมเป็นพระ 2476 พระอุปชาใหม่ตั้งมรรคทะตามหรือฉายาใหม่ ทัพิสุเรียนก็ๆ2 พรรษาโดยพรรษาแรกอยู่ที่วัดสารวาลีตําบลบ้านค้ออําเภอบ้านผือจังหวัด ก็ตามพระอาจารย์กูไปจับพรรษาที่วัดอรัญญวาสีอำเภอ จนกระทั่งฟ้าสว่างก็จะ 2 พระภิกษุเหรียญเห็นว่า ก็ได้กราบลาพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนออกท่องทุรดงตามลําพังระหว่างนั้นก็เฉยโอกาสไปพบปะและแล้ว ภาพิศูเลียนก็ท่องทุดงไปเรื่อยๆโดยตั้งใจว่าในภรร Collectors ต่อไปคือภรรร世ที่สามเริ่มนับภรรคหลังจากธรรมธิธิธรริก Russell จับไปจากภรรรส Institutstar ภรรรณ จึงได้หยุดพักปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันที่ 2478 อัน ก็ได้ไปจํารญษาธวัดปาสารวาลีในรรษานั้นได้ปริกตูประจํารษาอยู่ที่ป่าช้าเพื่อจะเล่นความเพียนโดยปรารถนาความตายเป็นอารมณ์และเพราะเล่งความเพียนในการปฏิบัติมากเกินไปจึงได้เกิดโครคตามมาคือโรคเน็บชาท่า้นออกภรรษานั้นก็ได้ออกทุ่ดงอีก ตามป่าเขาลำนาวไพรต่างๆในแถบภาคอีสานชวน อยู่ถึง 2 พรรษาคือพรรษาที่ 4 และพรรษาที่ 5 พ.ศ. 2479 ถึง 2480 ในระหว่างจับพรรษาอยู่ที่นั้นได้ ก็ได้ละถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นเป็นหัวหน้าสายฝ่ายวิปัสสนาซึ่งตอนนั้น เห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็สงบลงแล้วชัดลงไปอย่างสู้กันเป็นเวลานานนะแล้วจิตมันก็สงบลงแล้วทําไมมันเกิดขึ้นก็ กิเลสอะไรนี่ไม่มีเลยฉันเราเผลอๆมันก็เกิดขึ้นมานิดๆนะอาตมาก็ เพราะประสบการณ์ของท่านมากมายอีกทั้งลูกศิษย์ลูกหาของ หลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่อาตมาก็ได้ชวนพระเพื่อนกันไปๆก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วออกทุรดง การเดินอย่างนี้มันสบายดีเพราะไม่ต้องไปคิด เอาอะไรมาทำลายล่ะนอกจากธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี่ แม้คนในปัจจุบันนี้ก็อาศัยกิเลสประเภทเดียวกันนี้ และทรงแสดงคําสั่งสอนไว้ในโลกนี้ก็เป็นคําสั่งสอนอันเดียวกันไม่ได้แตก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลอย่างนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องปราบปรามความโกรธความพยาบาท เมื่อผู้ใดทําใจสงบจากกิเลสได้ทั้งต่างๆก็จะถูกปลงออกไปจิตใจ ไฟฝุ่นเกาะมัวหมองอยู่เช่นหรือไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแสงไฟก็ไม่สามารถจะ จะทุรดหมุ่งขึ้นภูริทัตโตไม่ต่อ เพื่อไปกราบหลวงปู่บั้นที่ภาคเหนือซึ่ง ก็ได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าทั้งๆที่ท่านไม่เคยพบเจอหลวงปู่มั่นมาก่อนท่านลอยฟังว่าหลวงปู่มั่นท่านมายืนอยู่ตรงหน้าท่านยิ้มเฉยๆไม่ได้พูดอะไรด้วยนิมิตนั้นทำให้หลวงปู่เหลียนท่านเกิดความปรีดิ์ปิติอย่างแปลกประหลาดและเกิดความมั่นใจว่าการเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ในครั้งนั้นไม่เสียเที่ยวแน่ๆ จะต้องได้พบหลวงปู่บ้านแน่นอนจึงได้เร่งเดินทางเร็วขึ้นเมื่อไปถึงเชียงใหม่ก็ตรงไปที่วัดเจดีย์หลวงเพราะก่อนหน้านั้นได้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นท่านประจําพรรษาอยู่ที่วัดนั้นแต่เมื่อไปถึงวัดเจดีย์หลวงปรากฏว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วตอนนั้นท่านออกไปธุรดง ในเรื่องการตั้งใจเดินทางมาเพื่อจะกราบหลวงปู่มั่นๆกับโรงเรียน <ๆ. S 1> พระอาจารย์เหรียญยิ่งเห็นอัศจรรย์ใจเพราะว่ารูปล่างลักษณะของพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นก็ให้การต้อนรับ อาตมาก็ได้เข้าไปฝากตัวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขอเป็นศิษย์ให้ท่านๆนะท่านรับอาตมาไว้และลูกศิษย์ของท่านอีก ัตมาได้มีโอกาสอบถามข้อสงสัยที่ตนกําลังติดขัดอยู่อัตมาเข้าไปกราบแล้วเรียนถามเรื่องราที่ตนเองติดขัดให้ท่านได้บอกอุบายให้เมื่อรูปบุบั่นได้รับรายงานทราบความโดยตลอดแล้วท่านได้ชี้แนะอุบายให้ท่านบอกว่าท่านเหลียนภาวนาเนี่ยไปเพิ่งแต่ความว่างแต่อากาศอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะให้เกิดความเบื่อนาย คลายความยึดความถืออะไรมันต้องมาพิจารณาล่างนี้ให้มากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ได้ยก ควรพิจารณาร่างกายนี่แหละเป็นอารมณ์จนเกิดนิพพิทา ไหนที่สุดมันก็ไม่สงบลงและท่านได้เล่าถึงผลการปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งอยู่สํานักของหลวงปู่ม่านในครั้งนั้นเอมันเป็นอย่างนี้มันใช้ไม่รู้ รู้หลอกรู้ลวงตัวเองเอาล่ะทีนี้ บัดนี้ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทําใจให้สงบและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม หลวงปู่มั่นภูริทัตโตจูงม้าอาชานัยตัวหนึ่งมายืนต่อหน้าแล้วท่านพูดว่า มันก็พาท่านวิ่งไปอย่างรวดเร็วเหมือนลมพัดหายวับไปกับสายตาต่อจาก ทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นก็ 4 ขันธ์ 5 อย่างพิสดารกว้างขวาง 4 ขันธ์ 5 ยิ่งไปกว่าเดิมจึง หายท่านก็ชมว่าเก่งมั่นท่านทราบท่านก็ชมว่าเก่งอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าๆและท่านก็ได้ แต่อุบาสิกล่าวไว้ๆนี้เองเป็นเครื่องเตือนใจอาตมา 12 ปีที่ภาค ในเขตอำเภอศรสาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นแล้วพระ 12 ปีโดยจรรย์พรรษาตามวัดต่าง ไปอยู่ในสถานที่อันวิเวกพร้อมกับฉิดหลวงปู่ 2 3 รูปบนดอยพระๆจนกระทั่งถึงช่วงเข้า อยู่นานถึง 3 พรรษาคือพรรษาที่ 7 9 ภายหลังจากได้จบบรรษาอยู่นั้นคือที่ 10 ของท่านท่านได้อยู่ มีพระภิกษุศิษย์หลวงปู่มั่นมาอยู่จามพันษาด้วยหลายรูปที่สําคัญสําคัญก็มี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 ภายหลังจากจับพรรษาที่สำนัก จึงได้ชักชวนกันไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าเขาลําเนาวถ้ําด้วยกันทั้ง 3 รูปช่วงนั้นก็ได้ท่องทุธงกันไปทั่วจากแนวป่าสู่ภูเขาขึ้นไปถึงที่อยู่ของพวกแมวไปเผยแผ่ธรรมะกับคนภูเขาซึ่งมีความเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจอย่างฝังแน่นทั้ง 3 รูปต้องไปต่อสู้ ขันมานับซึ่งชาวเขาเชื่อกันว่าพุทธศาสนาได้มากขึ้นและในช่วงที่ และคืนนั้นเสือร้ายก็ออกมาจริงๆแต่ไม่ได้ทําร้ายพระธุดงค์ทั้ง ก็ปรากฏเห็นพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ทาง พยนาคต่วนนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคะ รงปุชอบเราว่าพยนาคตoi ann determ เมื่อผลอาหัวขึ้นที่ทั่งตรงโกรมแล้วก็เอาห่างฝาดเขาอีกลุ่งหนึ่งให้ท่านดูรู้สึกว่าตัวยาวมากสิดีรัทนก็ได้ร arrive ถึงลักษณะของพยนาคต่วนนั้นให้รงปุๆ www.puan어요.of.com แสดงตัวให้ดูอยู่ครู่หนึ่งแล้ว ได้เข้าใจในพุทธศาสนาได้ผลพอสมควรเข้าใจในพุทธศาสนาได้ผลพอสมควรและ ซึ่งเดินทางมาจากวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ชักชวนกันไปบำเพ็ญธรรมใน ในพรรษาที่ 10 นั้นหลวงปู่เดชและคณะได้ประจำ ความจริงในขณะนั้นประเทศลาวไม่ ท่านไม่รับนิมนต์เพราะเห็นว่าเหตุ 17 ท่านกลับ และคราวนี้อยู่ทางพัษะที่น่านนาถึง 2 พัษะคือพัษะ 17 พัษะ 18 ในระหว่างครั้งครั้งหนึ่งท่านได้เปิดเผยให้คุณฟังเมื่อ อาตมาเคยพาคณะไปปักกลดอยู่ที่ป่าช้าบ้านเหล่าหลวงเขตอำเภอเถินไปพักอบรมนั้นมีศาลเจ้าหย่า ได้ประชุมตกลงที่จะสร้างเสนาสนะๆเป็นเสนาสนะป่าให้ ครั้งออกพรรษาแล้วอาตมาก็เดินทางไปภาคอีสานแล้ว ขอให้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขทํามาหากินๆทั้งนั้นในพิธีมีคนประทับสงฆ์ ชาบ้านก็เลยถามเจ้าพ่อ่าว่าวทำไมว่าอย่างนั้นเหละเจ้าพ่อมี cosplay ก็hedของฉัน จ้าพ่ Antán Pearl Seepord 닝วัชيد อPass ดังนั้น พวกลูกหลานขอยึดทำบาปอย่างนั้นอีกเลยต่อมาศาลเจ้า คือ 17 และ 18 ของท่านท่านและ 2 ปรรษาสุด 18 แล้วท่านได้ทุรดงลงใต้อีกครั้งคือพระอาจารย์มหาปิ่นชลิโตซึ่ง<า> 8 ปีที่ภาคใต้และขณะที่พระอาจารย์เหรียญทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมของพระป่าสายหลวงปู่อยู่ที่ทางภาคเหนือนั้นทางภาคใต้หลวงปู่เทศเทศรังสีก็นําคณะเผยแผ่ตามแนวทางเดียวกันนั้นอยู่โดยมีท่านพระ พ่อจังเหรียญกับพระอาจารย์มหาปิ่น 18 ประมาณ 2494 ภายหลังจากที่ เพื่อจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อสหธรรมมิกที่ไปเผยแผ่ธรรมะ 2494 เมื่อลงก็ พระอาจารย์มหาปิ่นได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าอยู่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ตำบลประโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งต่อมาภายหลังได้ดำเนินการก่อตั้งเป็นวัดปัจจุบันมีนามว่าวัดสันติวรารามพระอาจารย์มหาปิ่นชริโตได้รอคอยพระ แก่ญาติโยมที่มาฟังธรรมในวันนั้นพระอาจารย์เหรียญก็รับนิมนต์เทศภายหลังจากได้สนทนาวิสาสะกันตามสมควรแล้วพระอาจารย์เหรียญก็ได้พักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง อาศัยอยู่ที่ภักศงค์โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเมื่อได้ ท่านก็อยู่จปรรษาที่ 8 ปีพรรษาแรกที่ลง ที่พระอาจารย์ 2 พรรษา 19 และ 20 ราวปี 2494 ถึง 2495 ในคันถาที่ไปเผย ที่จังหวัดพังงาสมัยที่อาตมาไปท่องเที่ยว 8 ปีก็ได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายที่หน้า แล้วก็สวม 2 ก้อนนั้นเออถ้าจะพ่อหลักเมืองอยู่ที่นี่เจ้าพ่อนักเหมืองอยู่ที่นี่อาตมาจะมาพักอยู่ แล้วก็มาทําศาลาน้อยที่ข้างหน้าใช้เป็นที่ฉัน ตามเทศกาลวันสําคัญก็มีคนไปกราบ จะได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาบวงสรวงเจ้าพ่อนะทํามาเพื่อ เจ้าพ่อจึงได้รู้ว่ามันเป็นบาปกรรมที่ทําอย่างนั้นการเล่นหวยน่ะมันไม่นานาเทศออก ก็สร้างวัดประชาสันติไม่รู้จะทําๆอยู่ 2496 ราษฎร ซึ่งมีความศรัทธาแน่วแน่ทางของหลวงปู่ จึงได้ 2498 และท่านก็ได้ค่อยๆพัฒนาวัดทั้ง ได้รับราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดถูกต้องเมื่อปีพุทธศักราช 2502 ภายหลังจากได้รับราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ ไปพัฒนาศีนาสนะป่าที่บ้านเกิดของท่านซึ่ง ดังความเป็นมาในประวัติโดยสังเขปของพระ ธัมรากฎท่านศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งแล้วนั้น ท่านิ็มไม่ขูงแหนว่าท่prised ท่านเป็นเฉพาะของท่านเองท่านสู่ทนทุ Seattle ยากปฏิบัติมาแจร์ละบาก การสร้างวัดสร้างวาอันเป็นฐาวระวัตถุในพระพุทธศาสนา